พุทธสวัสดีค่ะทุกฟังที่ครบคะ่ะในการสัสนิสนทนาเรามาอีกแล้วนะคะพร้อมกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆเจิดจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าวันใหม่กําลังเริ่มขึ้นวันใหม่ของเราก็จะเป็นวันที่ทําให้ท่านทั้งหลายนั้นมีมงคลกับชีวิตไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะเพราะว่าเราจะสนทนาในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ธรรมะทั้งหลายของท่านและแถมยังจะเริ่มต้นกันด้วยการให้ฝึกปฏิบัติสมาธิไปพร้อมๆกับพระสงฆ์ซึ่งได้ฝึกปฏิบัติคนมารุ่นแล้วรุ่นเล่าในทุกๆเดือนนั่นก็คือพระมหาภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีในตั้งแต่ตอนต้นของรายการเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่าให้เตรียมใจไว้เลยเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวพอพบกับพระอาจารย์ปุ๊บเนี่ยท่านก็จะสอนเราเลยในเรื่องของการปฏิบัติ เต็มแล้วนะคะไปพบกับท่านกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะนมสักการกระทัา น, นคะเชิญปอนแลาเริ่มรายการเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันโดยให้ท่ามปูฟังนั้นมาสังเกตลมหายใจของตัวเราเองแลนะลมหายใจนี้คือกายของเราเราพึ่งกายของเราคือที่ลมหายใจทุกวันนี้ถ้าเราไม่พึ่งลมหายใจของเราสักประมาณ5หรือ6นาทีเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญหาละแต่ราะว่าเราอาศัยลมหายใจของเราอยู่ หน้ากายของเรานี้จึงตั้งอยู่ได้่เป็นทางเข้าของธาตุลมในากายของเรามีทั้งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่ในนี้ธาตุที่มันประกอบมันยังไปกันได้อยู่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งด้วยความที่ธาตุลมจากลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปแต่เราพึ่งตัวของเราคือลมหายใจส่วนที่เป็นธาตุลมตรงนี้พึ่งสิ่งที่เป็นลมตรงนี้แล้วเอาใจของเราจาะขึ้นเอาไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือสติสติที่เกิดขึ้นนี้เป็นธรรมะ อย่างที่พระบุทรเจ้าบอกว่าให้เราพึ่งตนพึ่งธรรมการที่เรามาสังเกตลมหายใจนั้นเป็นการพึ่งตนคือตัวลมหายใจของเราเป็นการพึ่งธรรมคือสติที่เกิดขึ้นทันทีในสติที่เกิดขึ้นก็เป็นสติของเราลมหายใจที่เรามาสังเกตดูอยู่นี้ก็เป็นลมหายใจของเราแต่ไม่ได้เป็นสติของคนอื่นไม่ได้เป็นลมหายใจคนอื่นเราพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างนี้แล้วทําสติให้เกิดขึ้นในภายในอย่างนี้แล้วตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ทําให้ใจของเราตั้งขึ้นได้ ใจที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ไปสนใจในเสียงที่ผ่านมาไม่ได้ไปสนใจในความคิดที่เกิดขึ้นแต่ความสนใจกับการรับรู้นี้ก็ต่างกันอยู่เราอาจจะรับรู้ถึงเสียงที่ผ่านไปผ่านมาเสียงต่างๆเสียงภายนอกอาจจะรับรู้ถึงความคิดนึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจแต่ว่าเราไม่ได้เอาใจไปใส่ตรงนั้นพระปราจารบอกอย่างนี้ท่าฟังบอกว่าจิตของเราเนี่ยถ้าต ร, ตรึกไปในเรื่องใดๆมาก จิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไปตรีตรึกเรื่องความคิดในทางภายนอกความคิดในเรื่องอดีตอนาคตในอารมณ์อะไรที่มันตรีตริดมากับความคิดนั้นมันก็จะโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่นี้ให้เราเอาจิตของเราเนี่ยมาตรีตรึกในเรื่องของลมหายใจให้มากสิ่งที่มากับลมหายใจนั่นคือสติเวลาที่เราเอาใจของเรามาจดจ่อไว้วกับลมให้มากสิ่งที่มากับลมหายใจคือสติก็จะค่อยมีกําลังขึ้น สติที่มีกำลังขึ้นนะั้นมันจะทำให้จากการที่เรานั่งสมาธิสัก10นาทีอย่างนี้ในตอนเช้าตอนขําอาจจะทำได้แค่2นาที3นาทีที่ทำไม่ได้คิดฟุง้งซ่านบ้าบอไปอาจจะ7นาที8นาทีแต่พอเรามาใส่ใจในเรื่องของลมหายใจมากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นเราเอาใจไปใส่เรื่องของความคิดทันไปนอกน้อยลงกำลังอารมณ์ต่างๆที่มากับสิ่งนั้นก็น้อยลงไป ไอ้ที่เราตั้งใจขึ้นได้มีอารมณ์เป็นนันเดียวมีสติขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นจาก 2- อสนาทีเป็น5นาทีหกนาทีไอ้ที่เราทําไม่ได้มีความคิดฟุ้งซ่านลดลงจาก78นาทีลดลงเหลือแค่23นาทีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้เราตั้งสติอย่างนี้ไว้ให้ดีสามารถทําได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าทํางานโดยสารรถประจําทางรถส่วนตัวอยู่กับเพื่อนฝูงหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ตาม ตั้งสติของเราขึ้นไว้อย่างนี้จะรักษาทติของเราได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีโพชดชงมีมังแก็ร่วงไปอยู่ในนี้นหนึ่งค่ะท่านฟังคะเราก็ค่อยสะสมแต้มนะคะฝึกปฏิบัติตามที่ท่านเพูลุ์ได้นําเอาการสอนของพระศาสดาเนี่ยมาบอกกับพวกเราเทีเล็กเทียน้อยบางคนบอกว่าไม่ถนัดกับการได้ยินเสียงคุณท่านก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆบางทีสมาธิ ไม่ใ่บางทีอะค่ะสุดท้ายสมาธิก็เกิดแล้วก็ยังจะส่งผลกับการที่จะฟังต่อได้ด้วยอือค่ะอ ต, ตรงนี้มีเทคนิคนิดหนึ่งคุณยมติวค่ะเวลาที่เราจะฟังเทศแล้วทําสมาธิไปด้วยได้เนี่ยตอ น, น, นแรกๆอาตมาก็เคยเจอเป็นา น, นี้ว่าถ้าเราเข้าสมาธิลึกๆไปแล้วเนี่ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องเลยคือคือเหมือนกับได้ยินอยู่แต่ไม่เข้าใจความแต่คือนี้คือถ้าสมาธิลึกลงุนไปมากๆนะหรือบางทีถึงขนาดว่าเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินเลย บางทีก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าในขณะที่เราฟังเทศไปด้วยเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เราฟังเทศก็รู้เรื่องไปด้วยเราก็สามารถเข้าสมาธิไปได้ด้วยแล่วก็คือให้จิตของเราเนี่ยอยู่ที่การรับรู้อย่างเสียงแล้วคือถ้าจิตของเราไปอยู่กับผู้พูดใช่ไหมผู้พูดไอหรือว่าเครื่องเสียงมีปัญหาจิตเราก็จะเสะเทือนไปด้วยคือเราก็ไม่ได้ให้จิตของเราไปอยู่กับผู้พูดแต่แต่ให้จิตของเรา มาอยู่กับการรับรู้ของเสียงในใจของเราเนี่ยคือใจของเราเนี่ยมันจะมีมิติอยู่หลายอย่างมีกว้าง <c oughs> ขวางแหละแนี่เราก็ให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่กับการรับรู้ทางเสียงที่เกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้ในอยู่ตรงเนี้ยมันจะฟังเทพไปรู้เรื่องได้แล้วก็สามารถเข้าใจความได้เนะี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าให้จิตของเรามันลึกลงไปเลยเนี่ยเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องแหะแต่จิตเป็นสมาธิอยู่ <c oughs> นี่คือกรณีที่ถ้าบอกว่าเราต้องการฟังเทพไปด้วย เราก็เข้าใจความด้วยลรวก็ทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยก็ให้จิตของเรามาอยู่กับการรับรู้ทางเสียงที่อยู่ในใจของเราค่ะอยู่ที่เจตนาว่าต้องการจะฟังแบบมีสมาธิหรือต้องการจะมีสมาธิดิ่งลงไปเลยใช่ใช่ใช่ค่ะได้ประโยชน์จากการฟังเช่นบางคนต้องฟังการบรรยายหรือคนเรียนหนังสืองเงี้ยนะคะเราต้องยอมรับว่าบางทีถ้าไม่มีสมาธิ อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่<ช>จากการฟังนั้นๆฝึก<ช>เอาไว้ก็จะได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยใ่ปค่ะท่านพ่บุญค่ ะ, ะวันเนี้ยเนี่ยมีคําถามซึ่งเดี๋ยวเช่นก็ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะคือเคยเจอคนเนี่ยถามว่าทําไมคุณเปลี่ยนพฤติกรรมอืมหันเข้าหาธรรมะเขาบอกเขากลัวตกนรกอืใครก็กลัวนะคะคําว่านรกแต่ในขณะเดียวกันเช่นก็ยังเคยได้ยินอ่าการไปทัวร์นรกทัวร์สวรรค์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ มีการสอนแล้วก็มีการาไปทัวร์กันเป็นจานวนมากก็เท่ากับว่าถ้าให้ตกเลยเนะี่ยไม่ไปแต่ถ้าให้ไปแล้วกลับมาได้เหมือนไปทัวรนะ์ทุกคนก็ยินดีจะไปอยากขอความรู้ท่านค่ะว่าจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ตกแล้วไม่อยากตกเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะไม่ตกนะะเนี่ยค่ะเรื่องนี้มันประหลาดคุณยมติวคือคนที่กลัวตกนรกเนี่ยเขาก็จะทาอะไรที่เขา เขาจะไม่ตกนรกถูกปะ่ะ <Okay. S 1> เพราะด้วยความกลัวความกลัวแบบนี้ดีอันนี้คือฮิริโอตปาฮิริคือความลายต่อบาปโอตปาคือความกลัวต่อบาปถูกไหมค่ะ <Okay. S 1> ความกลัวความลายต่อบาปตัวนี้ดีนะ่ะมีแล้วทําให้เราทําความดีไม่ทําความชั่วคนกลัวตกนรกเนี่ยก็เลยไม่ไปตกนรก <Okay. S 1> แต่ถ้าเรามองเปรียบเทียบกันต่างๆตรงกรันข้ามนัคนที่ทําชั่วทําบาปน่ะไม่เคยเกรงกลัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาทำชั่วทําบาปแล้วเนี่ยคนประเภทนี้เขาไม่กลัวตกนรกนะ ถ้าไปเอาพู่นนรกเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยด้วยซ้ําเฮ้ยนรกไม่มีหรอกธรรมาเคยได้ยินคนพูดในดวงวงเล่าอ่ะแล้วบอกว่อาอ๋อกินเล่ามากไปตกนรกอะ่ะเฮ้ยไม่กลัวหรอกไปถึงนรกนี่เดี๋ยวจะตัดต้นยิ้วนำะมาทําฟืนต้มเหล้ากินในนรกนะเขาบาอกกันนะซึ่งคนที่เขาทําชั่วทำบาปเขาก็ไม่กลัวนรกอะ่ะเ <Okay. S 1> พราะพอไม่กลัวนรกเขาก็ไม่ทําสิ่งที่ดีเขาก็ทําสิ่งที่ไม่ดีด้วยความไม่กลัวนรกจึงต้องไปตกนรกแต่ไอคนที่กลัวนรก กลับไม่ไปตกนรกอย่างไงมันสลับกันเพราะฉะนั้นเรามีความกลัว น, นรกแล้วมันดีในทีนี้อย่างที่คนโยมติวถามว่าแล้วถ้าเราต้องไปทัวร์ไปเที่ยวไปดูเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่ที่เป็นนรกกําเนิดเดรัชานเปรตวิสัยที่เป็นอบาย4อย่างเหล่านี้เป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งแต่คําว่าไปเนี่ยหมายถึงว่าไปอยู่ไปเกิดอยู่ในภพ น, น, นั้นไม่ควรจะไปเกิดอยู่ในภพนั้นไม่ควรเลย เพราะว่ามันเป็นการจองจําที่นานมากแต่ถ้าพูดถึงการไปทัวร์ไปดูเนี่ยเราเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วการไปทัวร์ไปดูอย่างเช่นเห็นสุนัขเห็นสัตว์เดรัจฉานเน่พวกนี้มันเป็น เ, เครื่องบ่งบอกถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของพบสัตว์ในพบอื่นๆเชน่นนี่คือสัตว์เดรัจฉานเราเห็นละซึ่งมันจะจัดอยู่ในหมวดของอบายนะอบายนี่คือความตกต่ำํำนะมีอบายก็สัตว์เดรัจฉานนะเป็นพวกผีเปรตนี่2 3คือสัตว์นรก แล้วก็พวกอสุรกายสีําำพวกนี้เป็นพวกที่ต่ําและจะไม่ได้มีการทําความดีจะไม่ได้มีการสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นลักษณะการที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ที่มีกําลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่าแต่เราไม่ต้องไปถึงนรกในมนุษย์โลกนี้เราก็ยังเห็นคนที่มีพฤติกรรมเหมือนพวกสัตว์นรกนั่นคือเบียดเบียนคนอื่นนั่นคิดเบียดเบียนคิดทําร้ายคิดเอาเปรียบนั่นคือพฤติกรรมเหมือนพวกสัตว์ที่จะอยู่ในอบาย <Okay. S 2> เราจะเห็นได้ทันทนะีคือคือถ้าเราไปเห็นนรกจริงๆเนี่ยมันโอ้เป็นภาพที่ไม่น่าดูมากๆค่ <Okay. S 2> นะเห็นในแค่มนุษย์โลกนะเขาโกงกันเขาทำไม่ดีกันนอ่านข่าวบางข่าวนี่ก็รู้สึกสลดใจมากอันนี้นมันจะเหมือนเหมือนกันค่ะท <Okay. S 2> ้านท่านกำลังจะบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้อธิบายนารกไว้ในลักษณะที่จริงๆแล้วบทโลกเนี่ยก็มีเพียงแต่ถ้าเราเข้าใจบทพยัญชนะให้ถูกต้องเนี่ยมีแน่นอนใช่ไ แต่บางคนคิดว่าก็ไม่เห็นนี่เห็นมีเนื้อมีหนังมีหน้ามีตาสวยสดงดงามหล่อเล้าสงา่า อ, อยู่ร่วมกับเราให้คล้ายกับเราเนี่ย อ, อแบบนี้ก็สามารถเป็นได้แม้กระทั่งเป็นคนด้วยหรือเปล่าคะท่าทีฉันเป็นคือคือถ้าเราจะพูดสองนัยยะอยีกที่คุณหยบติวพูดถึงว่าอันนรกที่เป็นนรกจริงๆอ่ะมีเป็นสัตว์นรกแล้วก็มีนนรียบาลมาคอยลงโทษมีโยมาบาลนะเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้อันนี้มีอยู่แน่นอนแต่แล้วก็อีกนัยยะหนึ่งพูดถึงนรกทางผรรษะ แต่คือภาษาถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนาตาหูจมูกลิ้นกายใจเจอแต่เรื่องที่แบบเครียดเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นนรกแบบหนึ่งแต่ซึ่งทําให้เราเปรียบเทียบกลับมาถึงคนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยอยู่ในมนุษย์โลกจริงๆเนี่ยมีความทุกข์ต่างๆนานาทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเรื่องสังคมอีกโอ้โหเ น, นี่ยเหมือนอยู่อยู่ในนรกนั่นคือเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจใ แ, ตแต่นรกนี่มันจะยิ่งกว่านี้10บเท่าร้อยเท่าพันเท่าแ 0,000 นเท่าเลยทีเดียว ค่ะงั้นก็มีนรกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องไปทัวร์ก็เจอกันอยู่แล้วใช่งั้นไอ้แบบไปทัวร์ได้แล้วไปได้ไหมคะไปไปเห็นเฉยๆออไม่ไปมีความทุกข์อย่างนั้นมีมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตัวพระองค์เนี่ยสามารถทําได้นะคือไปเห็นมานั้นด้วยญาณคือความรู้นี่เป็นความรู้พิเศษก็เรียกว่าจุดูป่าตาญาณ น, นี่ยคือรู้ที่จุดติไปของสัตว์ว่าสัตว์นี้ไปเกิดในนรกความเป็นอยู่ในนรกอย่างนี้อย่างนี้กินอย่างนี้นอนอย่างนี้กูรข้อทําโทษอย่างนี้มีอายุเท่านี้ปี คนที่มีจุตูปป า, ปาตาญานเนี่ยจะทราบได้จุตูปปาตาญาได้จะทราบได้รหรือคนที่มีเขาเรียกว่าบุเพนิวาส า, านุสติญาณคือรู้ที่เราไปเกิดมาว่าเราไปเกิดเป็นอะไรมาบ้างแล้วเผอิญตัวเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกมาก็จะรู้ว่าโอ้โหฉันไปอยู่นี่เจอความทุกข์อย่างนี้กินอาหารอย่างนี้ถูกเขาแทกถูกเขาทิมอย่างนี้มีอายุเท่านี้แล้วไปเกิดที่นี่ต่อเนี่ยอันนี้คือบุเพนิวาส า, านุสติญาณอันนี้เราจะ ทำความรู้นี้ให้เกิดขึ้นได้ค่ ะ, <น>ะซึ่งซึ่งถ้าทำเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแค่พระพุทธเจ้ า, าใช่นคนที่มีสมาธิอันนี้เป็นวิสัยของผู้ได้ฌานนะคะจะสามารถทำให้เกิดได้บางทีเราก็เคยเห็นเคยอ่านเคยได้ยินการพูดในทํานองเรื่องการละลึกชาติที่ฉันก็ถามท่านหลายครั้งนะคะอื อ, อหรือว่า เรื่องเรื่องไปนรกนี่ก็เคยอ่านจากการที่คนที่เขาเหมือนกจะตายไปแล้วอืมแต่ว่ากลับฟื้นขึ้นมาได้เขาก็พูดเช่นนั้นมีไม่ค่ะที่แบบว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่จริงๆก็ไม่ใช่เอามีแน่นอนความเข้าใจผิดนั้นนึกเอาเองคิดเอาเองมีอยู่ในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษทุที่คิดว่าตัวเองได้ฤทธิ์แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ก็มีอยู่ค่ะเท่ากับประเด็นที่เรากําลังถามในวันนี้ก็คืออ่าถ้ากลัวตกนรกเนี่ย ไม่ควรตกนรกโดยไม่จําเป็นได้อย่างไรใช่ใช่คือคือบางคนเนี่ยเห็นคนอื่นทําไม่ดีแล้วก็คิดว่าจะไปด่าว่าเขาเพื่อให้เขาดีขึ้นมาอะไรเงี้ยการไปด่าไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้เขาดีขึ้นมาได้ซ้ำซ้ำจะทําให้ตัวเองเนี่ยตกนรกเลยคิดว่าเป็นความจําเป็นในการที่ตัวเองจะต้องไปด่าไปว่าเขาแต่ว่ามันไม่จําเป็นอนี่คือประเด็นที่อานนท์มรการจะพูดถึงแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยทําอกุศลธรรมโดยไม่จําเป็น มารสา ร, ร้างอากูสตะธรรมโดยไม่จําเป็นทําให้ตัวเองเนี่ยไปตกนรกโดยไม่ใช่เรื่องของตัวเองที่ควรจะต้องไปตกนรกนะอย่างเช่นว่าเราเห็นคนนี้ก็ทําให้ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือไม่รู้เ้าดีหรือไม่ดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นตีความปในลักษณะนั้นเพราะเราเองก็ทาไม่ดีเนี่ยเราก็เลยแบบด่าเขาว่าเขาเสียเสียหายหายพูดแดกดันแทกกันพูดออกทีวีบ้างอะไรบ้างพอพูดไม่ดีกันแล้วทำบ่อยๆเนี่ยคุณก็จะไปตกนรกได้ แต่เราทำด้วยเจตนาดีนะเราต้องการป้องกันให้ความดีเกิดขึ้ น, น ค, คือในนามของความดีกลับทําความช่วยอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ต้องไปตกนรกโดยไม่จําเป็นอ๋องั้นยกตัวอย่างง่ายๆพื้นพๆที่เราเห็นกันบ่อยๆสมมติว่ามีกรณีฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วเป็นขาวบนหน้านังสือพิมพ์พอจับคนร้ายได้ตอนมาทําแผนประทุษกรรมเนี่ยก็จะมีการไปด่าไปว่าไปลงมือกับฆาตกรอย่างเงี้ยใช่ตัวอย่างเดียวกับที่ท่านลองพูดมาไหมครถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทํา เพราะว่าถ้าทําแล้วคุณจะไปตกนรกโดยไม่จําเป็นก็เลยยิ่งถ้าคนนี้เขาไม่ได้ผิดจริงนะหรือว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์อย่างเงี้ยยิ่งทางพระสงฆ์ที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงแต่แล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงไม่รู้ทําให้มันข่าวมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วคุณไปร่วมใส่ไฟด้วยด่าด้วยว่าด้วยลงมือลงไม้ด้วยเขียนด้วยทั้งๆที่ตัวเองมีเจตนาว่าจะรักษาพุทธศาสนารักษาคําสอนแต่ว่ากลับทําให้ตัวเองต้องไปตกนรกฟรี ท่านคะคือเมื่อท่านพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนั้นเองก็เห็นที่ไรสลดใจทุกทีนะคะอืเพราะว่าในความสลดใจก็คือว่าฉันข้อที่หนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าอืมใช่ข้อที่สองนี่จิตมันเศร้าหมองอย่างแรงเลยในกรณีถ้าเกิดจริงขึ้นมาและจิตมันก็เศร้าหมองอย่างแรงเลยถ้าคิดในทานที่ว่าแล้วถ้ามันไม่จริงเนี่ยอืมมันทําให้คนจํานวนมากเสียศรัทธาถ้าหากไม่ทันคิดอะไรแล้วก็สมมุติเกิด เป็นกรณีที่จงใจบิดเบือนมันก็จะยิ่งทําให้คนที่ถูกเอามาบิดเบือนในทางเสียหายเนี่ยเสียหายเข้าไปใหญ่คืออย่างคนที่ถูกถูกบิดเบือนเนี่ยถ้าสมมุติเขาเป็นคนดีจริงใช่ค่ะต่อให้โลกทั้งโลกประนามเขาว่าไม่ดีเยยังไงเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่แต่นก็ได้ของพระพุทธเจ้าอะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติสูงสุดละแต่ก็ยังมีคนไปด่าท่าน ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เที่ยวสอนรัธิว่างเปลา่าอะไรต่างๆแต่ต่อให้คนทั้งโลกประนามเอา้าเพ่าะระชุทธาก็ยังดีอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์ถูกไหมค่ะอย่เช่นเดียวกันคนที่ทําความดีไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็จะต้องมีมาประจนมีคนมาด่าว่าแต่ว่าก็ความดีของเรามันก็ยังมีอยู่ไม่มีไม่เสียหายอยู่แล้วแต่แล้วไอ้คนที่ด่าว่าตรงนี้แหละที่ว่าถ้าทําให้เขาเข้าใจผิดแล้วคนคอื่นๆนะที่เข้าใจผิดไปด้วยเนี่ยแล้วไปรุมด่าว่าโดยที่ไม่ได้เห็นความจริงเนี่ย มันไปตกนรกโดยไม่ใช่เรื่องนะค่ะทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจง่ายแต่อีกกรณีหนึ่งก็รู้สึกว่าสัมผัสกับตัวเองเลยคนเนี้ยเลวจริงๆมสมมตินะคะเท่าที่เห็นมาเนี่ยเขาเลวจริงๆและสมควรที่จะเป่าประกาศให้โลกรู้คนที่ไปประนามคนแบบนี้เพราะเชื่อว่าเขาเลวจริงๆจะต้องผิดบาปด้วยหรอคะถูกต้องบาปแน่นอนแต่บาป<ม>นี้จะให้ผลมากหรือให้ผลน้อยแตกต่างกัน เพราะอะไรเพราะว่าการกล่าวพรุษวาสวาจาที่มันหยาบคายวาจาที่ทิ่มแทงกันวาจาที่เสียสีกันเนี่ยมันเป็นบาปนะคือเขาผิดสมมติเขาผิดจริงๆใช่ไหมแล้วเราไปด่าเขาว่าเขาเสียหายไอความเหม็นความด่าความว่าเนี่ยมันอยู่ที่ปากเราไงมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ที่ปากเรามันเป็นวจีกรรมของเราพอเป็นวจีกรรมของเราเราต้องได้รับผลแน่นอนทีนี้ผลนี้จะเกิดขึ้นกับเราหนักหรือเบา ก็อยู่ที่ผู้ที่เราไปด่าด้วยแต่ถ้าผู้ที่เราไปด่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมน้อยผลที่เกิดขึ้นมันก็จะหนักน้อยลงไปมันก็จะค่อนข้างเบาแต่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงแต่มีความดีความงานแต่เราไปด่าไปว่าเขาด้วยพฤทธสว่าดเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเป็นความเผ็ดร้อนกับเราเนี่ยเพราะว่าพุทธสวา่าอยู่ที่ปากเราใช่ไหมวจีกรรมที่จะเกิดขึ้นผลตรงนี้ก็จะหนักมากในเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีพระโกกาลิกาอย่างเงี้ย ไปด่าพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคละณะด้วยความเข้าใจผิดนะัคือท่านพระมหาโมคละณะกับท่านพระสารีบุตรมีความขุนขวายน้อยใช่ไหมอยู่ในภรษาท่านก็บอกว่าเอออยู่ในภาษาด้วยพระหลายๆรูปพระโกกาลิกาก็อยู่ด้วยแล้วนะก็ประชุมตกลงกันหรอกว่าเ อ, อไม่ต้องบอกชาวบ้านหรอกว่าฉันอยู่ที่นี่เราก็จะอยู่ขุนขวายน้อยไปบินตาบะอะไรมากินก็พอฉันพออะไรกันไปแค่นั้นพอแต่พอออกภรษาแล้วก็ทีนี้จะไปที่อื่น นะท่านพระโกคาลิกาก็เลยขอให้อยู่อีกวันหนึ่งเนะพอขอให้อยู่อีกวันหนึ่งวันนั้นก็เลยไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยท่านสองท่านอยู่ที่นี่นะาชาวบ้านจะเอาอะไรมาถวายก็ทำได้เลยนะป ร, รากฏว่าวันรุ่งขึ้นนี่โอ้โหอาหารปัจจัยสีอะไรเต็มเย่อหย้าไปหมดท่านพระอรหสาวกสองรูปนี้ก็ทราบแล้วว่าโอ้นี่ได้ปัจจัยมาโดยการพูดเรียบเคียงมันก็เป็นการแสบงงานที่ไม่ถูกต้องอนะอท่านก็เลยไม่รับทีนี้ เนะื้อกกาลิกาก็เลยโกโรธทีนี้โกโรธว่าอเอา้าทําไมตัวท่านไม่รับแล้วยังมาให้ผมไม่รับด้วยเนะคือตัวท่านไม่รับก็พอสิทําไมยังบาบอกว่าให้ผมไม่ต้องรับด้วยอย่างเงี้ยนะก็เลยโกโรธเนะื้อโกโรธก็เลยความมีผูกผูกโกโรธกันนิดนึงทีนี้พอสองท่านนี้เดินทางไปอาวาสอื่นในที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่แนะื้อพอชาวบ้านที่นั้นเขาเห็นพระอรหันตสาวกสองรูปมาเขาก็าจัดแจ้งประจัยอะไรมาถวายแล้วก็เยอะแยะเหมือนกันโกกาลิก า, กาตามไปเห็นเอา้า ทำไมท่านรับอ่ะทําไมข่าวที่โน้นอยู่ที่นั่นท่านไม่รับพอมาอยู่ที่นี่ท่านรับก็เลยด่าว่าภิกษุ2องโรบนี้แตนะ่ท่านพระสารีบุตรกลับมามกแนะว่าเป็นผู้ที่มีความปรารถนาลามกนะเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้ด้วยความเข้าใจผิดค่ะแตนะ่ที่เป็นอย่างนีนะ้ก็เพราะว่ามีเพื่อนไม่ดีด้วยละ่ะท่านโกกาลิกาเนียมีเพื่อนเป็นทศเทวทัศน์ไง<ม> เ, เป็นพวกเดียวกันค่ะนะแล้วก็เลยทําให้ท่านเนี่ยได้รับโทษคือถูกต้องโรคอย่างหนักแต่นี่คือที่อยู่ในพยศนาสูตร ที่พระเบรจาพูดถึงคนที่ถ้าไปด่าว่าเพื่อนผู้บารมีพระมัรย์ติเตียนพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยจะเจอโรคภัยแค่เจ็บอย่างหนักแต่ตัวเองก็เป็นฝีขึ้นมาแต่เป็นฝนีทั้งตัวเลยนะคุณโยมตต๋วฝีเนี่ยจากเท่าเมล็ดเล็กๆเม็ดงานเนี่ยก็โตใหญ่ขึ้นเท่าเท่าผลมะนาวโตว ใ, ใหญ่ขึ้นเท่าผลมะตูมใหญ่ขึ้นจนมันแตกนะแตกทั้งหนองทั้งเลือดอะไรก็เยิ้มไปหมดต้องนอนบนใบตองเหมือนกับปลาที่กินยาพิษมีพระอุปชาที่ เกิดเป็นอนาคามีเป็นพรมนักอุสตส์ลงมาเตือนว่าอย่าไปตีเตียนเขาแต่ก็ยังไม่ฟังสุดท้ายก็ตายแล้วก็ไปตกนรกเอ่อไปที่เดียวกันกับท่านพระเตวราชนั่นหลักค่ะนะั่นคือคือไม่จําเป็นน่ะก็จะมาคือคือเราไปเห็นเขาทําไม่ดีเราไปตีเตียนเขาเนี่ยความบาปมีอยู่ที่เราทำไม่เราไปตกนรกโดยไม่ใช่เรื่องค่ะแล้วแล้วคนที่ประพฤติอย่างนี้นะนะคือเห็นแต่โทษของคนอื่นนะไม่คอยเพ่งดูตัวเองเนี่ยเป็นคนผ่าน คือเห็นคนเขาทําตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดหนึ่ ง, ง, งแล้วก็ไปเพเท่งเพ่งโทษเขานะลากักษณะของการเพ่งโทษเนี่ยเป็นคนผ่านแตนะ่คนแบบนี้เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะคืออันติมาบุรุษเนี่ยคือคนที่ไม่ยอมทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็น ค, คนอื่นก็ยกตนข่มเขาเนะห็นคนอื่นก็ตีตนเสมอเขาลบหลู่คุณเขานะเขาทําความดีมาก็พูด d i s c r e d ิตเขาอย่างนี้เป็นตน้นะหรือเขาทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ยกว่าฉันก็เคยทําอย่างนี้มาหรือเขาทำอันนี้มาถวาเอาอันนี้มาเสิร์ฟ ก็บอกว่าอันนี้คงไม่ดีหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของสดของอะไรก็ว่าไปไงนะอันนี้ก็คือหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยจะไปตกนรกโดยไม่จําเป็นพวกนี้ค่ะอย่างนั้นหากจะทําอะไรเนี่ยข้อที่หนึ่งต้องมีความรู้คือรู้อย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะว่าเรายืนอยู่บนปากเหวของนรกอย่างนั้นได้ไหมคะเปรียบเทียบได้ไหมคะใช่ประตูนรก ประตู น, นรกเนี่ยเปิดอยู่ประตู น, นรกเนี่ยเปิดอยู่แล้วถ้าเกิดไม่รู้ไม่รู้ว่าวิธีการที่จะไม่เข้าไปสูน่นรกเนี่ยมันจะไหลเข้าไปได้ง่ายอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะคะคือคือมันมีสองประตูตประตู น, นรกเนี่ยเปิดอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่โสดาบันประตูนิพพานก็เปิดอยู่แล้วสำหรับทุกคนที่ไม่ใช่สัตว์นรกนต่คือสัตว์นรกผู้อบายเนี่ยประตูประตูนิพพานจะปิดอยู่สำหรับเขาใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่เราเป็นมนุษย์เนี่ยขั้นต่ำเราเป็นมนุษย์แล้วประตูนิพพานเปิดอยู่แล้วสําหรับเรา <c oughs> ประตูนรกเปิดอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าคุณยังไม่ได้เป็นโสดาบันแต่ถ้าคุณเป็นโสดาบันประตูนรกนี่ปิดแล้วโอเคนะ <c oughs> แต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นโสดาบันน่ะยังมีความไม่มั่นใจในบางเรื่องยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งแท้จริงประตูนรกนี่ยังเปิดอยู่นะ <c oughs> ต้องไปทางนู้นประตูนิพพานไปทางขวาอย่าไปทางซ้ายไปทางซ้ายมันจะไปตกนรกอย่างเงี้ย คือสุรรบาลในที่นี้เท่ากับว่ายังไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ช>ไม่มั่นคงในศีลถูกไหมคะถูกต้องพื้นฐานศีลห้าศีลห้าพื้นฐานแต่ที่นี้ว่าอย่างการพูดทิ่มแทงกันมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลเหมือนกันไงเป็นความปกติทางบาจาที่เราต้องรักษาให้ได้คแต่พอเราถ้าเรารักษาไม่ได้ก็แสดงว่าประตูนรกยังเปิดอยู่เพราะว่าถ้าทํามากมันจะไปตกได้ค่ะนะคะท่าทีของเราในการดําเนินชีวิต ในแต่ละวันนั้นจึงต้องกำกับกายวาจาใจให้ถูกต้องฟังท่าอาจารย์พูดเนี่ยเช่นว่าลำบากทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ไม่มีความรู้คือเหมือนกับบางทีเราก็ไม่เห็นเสียหายเลยอ่ะก็เข้าทําแล้วอ่ะความรู้ตรงนี้แหละนี่สําคัญความรู้ตรงนี้ที่คุณหยมติ๋วพูดแต่ว่ามันหมายความคนละอย่างกันความรู้ของอาตมาที่หมายถึงเนี่ยความรู้นี้คือสตินะไม่ใช่ความรู้ในเรื่องราวว่ามันถูกหรือผิดไม่ใช่แต่ความรู้ในที่นี้อาตมาหมายถึงคือมีสติรู้อยู่ อะไรรู้อะไรรู้กุศลกับรู้อกุศลว่าไงว่าอากุศลอย่าไปทํามันรู้ว่ากุศลทำสิทํากุศลสินนแน่นอนนะว่าการตักเตือนเนี่ยควรจะต้องมีในธรรมะไว้ในนี้นื่เพราะว่าการตักเตือนซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าให้เตือนกันและกันอันนี้ดีอยู่แต่การด่ากาันว่าไม่ใช่การตักเตือนนะคุณโยมติวมันไม่เหมือนกันเราจะมีสติแยกแยะเห็นการตักเตือนกับการด่ากันว่า สตินี่แหละคือความรู้ตรงนี้แหละสําคัญมากต้องมาก่อนเลยค<ะ>ต้องมาก่อนเลยเราจะมีสติได้สิคุณต้องรักษาให้ดีแต่คุณ<ด>ถึงจะตั้งจิตได้เราอะไรเพราะมันจะมีความไม่ร้อนใจเพราะเราไม่มีความร้อนใจแล้วเราจะตั้งสติขึ้นได้จะเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดไอ้ถูกผิดนี่ไม่ใช่ว่าเขาถูกหรือฉันผิดนะหรือฉันผิดเขาถูกนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เ<ะ>ห็นถูกผิดคือเห็นกุศลนะักุศลเห็นกุศลนกะุศลแล้วเราก็ทําสิ่งที่เป็นกุศลบางที่มันแบบ มันทำไม่ได้นะ่ะแต่จิตมันดึงไปหมาขอด่าสักทีหนึ่งนะขอไม่แผ่ไม่ตายให้มันสักคนนึงหน่อยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีสติมันก็ยังยังดึงไว้ได้ไม่ทำมากค่ะคือถ้าทำมากๆคุณไปตกนรกแน่มันจะถูกดูดไปทางประตูซ้ายค่ะแต่ถ้าผบว่าเราไม่ทำมากๆยังดึงไว้ได้ยังรังไว้ได้เรายังพอจะหลุดออกจากมันได้ไปทางประตูขวาได้ไงค่ะสตินี่จึงสําคัญนะค่ะก็ต้องเข้าใจให้ดีนะคะรู้ไม่ใช่รู้ทั่วๆไปแบบที่รู้ๆกันอยู่เพราะว่า บางทีนั่งอยู่เฉยๆไม่อยากรู้ก็มาให้รู้นะคะสำหรับโลกปัจจุบันนี้แต่รู้ที่ว่านี้คือต้องรู้แบบที่เราฝึกกันตอนต้นรายการถูกไหมคะใช่ๆชรู้คือมีสติสตนะคะมีสติว่าเช่นไรคืออกุศลเช่นไรคือกุศลขาท่านพปบูลค่ะท่าเช่นนั้นเพื่อที่จะให้ นำเอาไปปฏิบัติกันได้เลยเนี่ยกุศลกับอกุศลที่ว่าเนี่ยคือกุศ ล, ลกรรมบท10อกุศ ล, ลกรรมบท10เท่านั้นหรือไม่คะและถ้าใช่ขอทราบรายละเอียดเลยคะ่ะถูกต้องคือกุศลกรรมมาบทสิ น, นี่คือเรื่องของกุศลอกุศลคืออกุศลกรรมมาบทสิบรายละเอียดก็เป็นคู่ตรงข้ามกั น, นเริ่มจากการที่เรื่องของกายก่อ น, นมีกายวาจาใจาแบ่งเป็น3มหมวดกายก็คือการที่ข้าสัตร์รักษาบารมีปิดในกามนี่3อย่างกา ย, ยกรรม3อย่างวัจจีกรรม4อย่าง คือพูดโกโหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบแล้วก็มโนกรรมอีก3อย่างก็คือการที่มีความเพ่งเลงความที่มีความพยาบาท <ừ. S 1> แล้วก็การมีมิจฉาทิฏฐิ3อย่างนี้เนี่เป็นมโนกรรม3แนตะ่ซึ่งถ้าตรงกันข้ามก็เป็นกุศลธรรมทีนี้เรื่องนี้เนี่ย เ, เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเกิดขึ้นตัวเราเองอัาานมาต้องย้ําตรงนี้เช่นว่าถ้าเราเห็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นกับคนอื่นใช่ไหม อากุศลธรรมเกิดขึ้นคุณเช่นคนนี้เขามีวิชาที่เที่แล้วก็ก็พูดบ้าบอพูดเพลชเจอร์ด้วยแล้วก็ยังทำความชั่วไปประพฤติผิดในกาศอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราเห็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีเราก็เลยจะทำอากุศลธรรมเพื่อที่จะให้ความไม่ดีออกจากเข า, าเข้าใจนะเราจะทํา <ๆ S 2> อากุศลธรรมนี่เราทําเองนะเพื่อที่อะไรคือด่าเขาเป็นต้นนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหยุดอากุศลธรรมของเขาเนี่ยความคิดเนี่ยมันผิดไง เพราะอะไรเพราะเราทําอกุศลธรรมมันคิดไม่ถูกตั้งแต่ตอนที่เราทําอกุศลธรรมแล้วตรงเนี้ยคือความคิดตรงเนี้ยมันผิดทําไมเพราะอะไรเพราะความคิดอย่างนี้เป็นคนจิตรนีทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนสุดท้ายในธรรมวินัยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าฉันจะเป็นคนดีอ่ะโดยการที่ด่าเขาอาะคุณหยุดการทำความดีของคุณทันทีเลยนะคุณจะเป็นคนสุดท้ายทันทีแต่เราจะสืบต่อความดีไปได้โดยที่เราทําความดีไงแล้วให้คนที่ไม่ดีกว่านั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคนดีได้ เราก็จะไม่เป็นคนสุดท้ายเขาก็จะไม่เป็นคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าคนสุดท้ายคือคนที่ทําความชั่วคนแรกนะเข้าใจไหมเขาจะเป็นคนสุดท้ายเอาเราด่าคนสุดท้ายเราก็ทำความชั่วเหมือนกันเราก็กลายเป็นคนสุดท้ายเหมือนกันอะเราก็ไม่ได้สืบต่อความดีไปได้แต่เราจะสืบต่อความดีไปได้ต้องการทําความดีของเราเราถึงจะสามารถสืบต่อความดีไปได้เนี่ยตรงคนสุดท้ายตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์เทคนิคเลยคุณโยมติ๋วบอกว่าอันติมาบุรุษอันติมาบุคคลคือบุคคลสุดท้าย เหมือนลำไส้สุดเนี่ยลำไส้ใหญ่เนี่ยมันสุดตรงนี้แล้วมันไปต่อไม่ได้เราอยากให้เป็นตรงนี้ไงอแต่ให้สืบต่อความดีของเราไปคําว่าอันติมะบุรุษบุรุษคนสุดท้ายหมายความว่าอย่าให้ความดีมาหยุดอยู่แค่เราถูกต้องแล้วมันหยุดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นความชั่วไงตรงนี้ใช่ไหมเพราะเราอย่าหยุดความดีของเราโดยการทําความชั่วนะเพราะว่าความชั่วไม่ได้จะทําความดีให้เกิดขึ้นได้เราจะทําความชั่วที่ปากของเราเพื่อที่ให้เขาเป็นคนดีเนี่ย มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นความเห็นแก่ตัวของอันติมาบรุษมันมันไม่ถูกเราจรึงต้องทําความดีเพื่ออะไรเหนียว น, น้ำโน้มน้าให้คหนอื่นเขาทาความดีได้เพราะคนที่ทำความดีเนี่ยชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยหรือรักษาคนอื่นด้วยความเมตตาไม่เบียดเบียนโดยการรักใครอ็นดูอย่างนี้เป็นต้นน่ะมันถึงจะไปได้เขาเห็นเราทําเขาอาจจะกลับใจดีขึ้นมาก็ได้นะรักษาตนเองด้วยการพึ่งตนพึ่งทำรักษาผู้อื่นด้วยการ ไม่เบียดเบียนด้วยการ<ม>รักใคร่เอ็นดูมีเมตตาไม่เบียดเบียนรักใคร่เอ็นดูแล้วก็ในการที่เราจะตักเตือนเขาคือคือแน่นอนอันนี้เราไม่ได่าว่าไม่ทําอกุศลธรรมนะลักษณะก า, ารตักเตือนเนี่ยก็คือการบอกว่าอันนี้ผิดบอกว่าอันนี้ทําแล้วมันจะไปตกนรกหรือว่าสิ่งไม่ดีเราแค่บอกตรงนี้อันนี้ ค, คือหนักแล้วแต่ถ้าบอกแบบเบาๆบอกแบบละมุนละม่อม ก็คือทําความดีสิคุณจะมีอ น, นิสงค์ขึ้นสว่างอะไรต่างๆเหล่า น, นี้อันนี้เราก็บอกไปทำดีอยู่แล้วแต <คะ S 1> นะ่ถ้าบอกในทางหนักก็คือใช้วิธีรุนแรงก็คือบอกโทษของเขาเอาถ้าคุณค <ะ S 1> ทํานะคุณจะไปตกนรกนะก็พูดแค่นี้ในะการพูดอย่างนี้ไม่ได้ดาา่าเกขาแต่แต่พูดหลักธรรมะไงในะ <คะ S 1> การพูดหลักธรรมที่มันจะทําให้ผลเป็นความเป็นร้อนอันนี้พูดได้แต่ไม่ใช่ <คะ S 1> ด่าไม่ใช่ว่ามันคนละเรื่องกันอันนี้ต้องแยกแยาให้ดีคะ่ะนะคะก็ช่วยกรุณา เขาเรียกอะไรคะฝึกสติใช่ต้องฝึกสติสําคัญมากสติ<ๆ>เพื่อที่จะได้เหมือนกับที่บอกว่าพอฝึกสติแล้วจะทําให้ยั้งคิดก่อนคิดก่อนทําิดก่อนพูดใช่ใช่คิดก่อนทอําคิดก่อนพูดอันนี้สําคัญมากนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกโดยไม่จําเป็นไม่จําเป็นด้วยความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ซึ่งท่านพระมหาภัยบุญอภิปุโนโดได้นำมาบอกเราอยากฟังธรรมอย่างเต็มที่ ในวันที่สมและวันที่4ี่ท่านเพบูยณจะเดินทางมาสแสดงธรรมที่กรุงเทพด้วยตัวเองเลยนะคะและยังเปิดโอกาสให้พวกเราได้พบกับท่านด้วยที่แห่งแรกก็คือวันที่อทอสามปตทสพอตึกเอ็นโกชั้นห้าห้องจัดเลี้ยงตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายมุงครึ่งที่นั่นเป็นวันศุกร์นะคะจะเป็นการให้เตรียมคาถามมาถามด้วยส่วนวันที่สี่กรกฎาคมเป็นวันเสาร์ ทีนี้เปิดทั้งวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมโงเย็นที่หอจดหมายเหตุท่านเพื่อทาตอินทะปัญโยท่านจะแสดงธรรมในช่วงเช้า3ชั่วโมงเต็มเตมในเรื่องของจักคือทำอันประเสริฐตอนกลางวันมีผู้ออกโรงทานให้รับประทานอาหารกันไม่ต้องวุ่นวายไปหาอาหารที่ไหนจะได้อยู่ต่อการฝึกปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายและถามตอบคาถามธรรมกับพระมหาเถรบอภิปุนโนถูกคะเยี่ยมบนตง นะคะก็เป็นโอกาสอันดีท่านครับค อ, อสปฏิบัติธรรมของเดือนกรกฎาคมนี่เริ่มมาไหนคะวันที่18ถึง26กรกฎาคมตอนนี้เต็มหรือยังคะยังไม่เต็มสามารถสมัครมาได้ที่ wpdhjs.org ค่ะและดีฉันได้ยินว่าคอสผู้เก่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมาในคนเคยฝึกปฏิบัติแล้วใช่ใช่ช่วงวันแม่ก็8ถึง16สิงหาคม ค่ะแล้วเต็มหรือยังคะช่วงนั้นก็ยังไม่เต็มสามารถสมัครมาได้สิบหสิงหาคมนะคะใครสนใจก็จะได้ได้ฝึกอย่างเป็นระบบใช่ซึ่งซึ่งเบื้องต้นก็คงจะพาฝึกปฏิบัติในวันที่4ี่กรกฎาคมนี่แหละช่วงบ่ายอ๋อค่ะก็จะมีบ้างฝึกให้เบื้องต้นได้ในวันนั้นคือเรียกว่าวันนั้นไปนี่ครบเครื่องเลยเป็นการที่จะพาให้พวกเรา เหมือนกับไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วยังได้เข้าใจธรรมะอย่างทองแท้เพราะว่าท่านบอกว่าหัวข้อที่ได้เสนอในวันนั้นคือจักคือทำอันประเสริฐนี่เป็นหัวข้อที่สําคัญมากใช่ไใช่ใช่ก็คือเป็นการเทศคือถ้าผู้รู้ชาเทศกันนี่แล้วคือจบเลยหลังจากวันนั้นไม่ต้องพูดเรื่องอื่นอี ก, ก็ได้ใช่ธรรมจักกับปวตนสูตรไหมครถูกต้องจะเป็นสองพระสูตรหลักที่จตมาธอธิบายนะ <Okay. S 2> คือธรรมจักกับปวตนสูตรแล้วก็อนัตตลักษณสูตรค่ ะ, ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่ง เราจะเห็นแง่มุมละเอียดละเอียดอย่างเช่นเรื่องของการตักเตือนแล้วก็การด่าว่าเนี่ยจะไี้เป็นความละเอียดที่เราจะสามารถเห็นได้ยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นการพิจารณากับการคิดวิเคราะห์เอาต่างกาันการที่ยึดถือกับการถือเป็นศรัทธาต่างกาันเราจะมีรายละเอียดอยู่ในพระสูตรนี้อรรมาจัชชีให้เห็นในวันนั้นค่ะเท่ากับว่าแค่เราได้ยินธรรมจักกับวัตนาสูตรนี่เราก็ว่าโอ้โหเป็นการแสดงธรรมครั้งสําคัญของพระพุทธองค์แล้วใช่ สำคัญมากเราอยังจะมีอานาตละคณสูตรอันนี้ก็ยิ่งาอานาตละคณสูตรอันนี้แสดงที่ไหนยังไงคะก็ที่นั่นแหละวันถัดมาและเป็นพระสูตที่สําคัญที่ทําให้เหล่าบัรดาวิกีทั้งหคนเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์คือเรียกว่าเป็นพระสูตรสาคัญคู่กันงั้นละกันใช่ใช่ใคะเดืออย่าลืมนะคะวันที่สี่ที่หอจดหมายเหตุท่านทพื่อท้าตั้งแต่วเวลาเก้านากาวันนี้กล่าวมาสิการขอบพระคุณท่านผู้บริเวณเป็นอย่างยิ่งนะคะเดือนนพิธการค่ะท่านฝั่งที่ครบค่ะ ค่ะที่ฉันย้ำอีกครั้งสำหรับคนที่ฟังไม่ทันท่านพบูรลจะมาแสดงธรรมที่กรุงเทพสองวันวันแรกคือวันที่สที่พศทสพตึกเอ็นโก้ชั้น5ห้องจัดเลี้ยงเวลาเที่ยงถึงบ่ายมุมครึง่งส่วนวันที่4นะคะจะเป็นวันเสาร์ท่านจะไปแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุท่านเพื่อธาดอินทปัญโยสวนรถไฟตั้งแต่9นาฬิกาเป็นการพบกับท่านทั้งวันตอนเช้า แสดงทำเรื่องจักคือทำอันประเสริฐตอนบ่ายให้ฝึกปฏิบัติธรรมการพร้อมทั้งตอบปัญหาธรรมะติดตามรับฟังรายการสันสนีสนทนากันในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาสนทนากับพระมหาภัยบณ์เช่นนี้พบกันใหม่ในวันนั้นนะคะพุทั่วสวัสดีคะ่ะ